นี่กลับมาไปตีตรงนี้ก็ข้อต่อไปนี่ควรที่จะสนใจอย่างมากเลยเพราะเปเรื่องใกล้ตัวนะอาจจะต้องอาบัติกันแน่ง่ายบางทีอาจจะต้องในที่ไม่รู้ตัวนะครับเปไปที่หน้าหนหึ่งร้อหกสิบก้าเราบทสัมพัธ์ที่ข้อที่ข้อที่ห้าอ่าพิสูรรูปกายสาเร็จนาตอนร่วมในปีหาที่มุมบังทั้งหมด หรือโดยมากมีทางเข้าออกเดียวกันกลับอนุปสมบัติสัมเนผู้ชายสัตว์ตัวูดที่ตัวโตพอที่จะเป็นวัตถุแห่งเงมถุนทำได้ติดต่อกันเกิน 2-3 สามคืนต้องอาบัดปานจิตตีนะครับนี่นะนอกเหนือจากนุปสมบัญิในอนเอาผู้ชายก่อนพ่อผู้หญิงจะมีข้อหนึ่ง แต่ถ้ากับผู้ชายไม่แัดสัมมเนยนะคะอันนี้นะนอนร่วมกับเนยตั้งแต่ยามม้าที่คสามคือพอุ่งที่สี่นะครับพอพราทิตย์ตกดินปุ้มนะไปนอนร่วมกับเนนะครับก็จะต้องแบบไปอย่างดีในข้อนี้เนี่ยแต่ถ้าว่านะและพูดถึงไอ้ที่นอนกับนี่ป่ะที่นอนนี่ช้ต้องอาบัตนะครับเป็นที่นอนที่มุงที่บังนะมุงบางทั้งหมดหรือว่าโดยมากนะครก็อันนี้ที่จะต้องอาบัต ถ้าแต่ว่าบังอย่างเดียวไม่ได้มุมอันนี้ก็ไม่ต้องอาบานหรือมุมงเดียวไม่ได้บังก็ไม่ต้องอาบานนะครับต้องมีทั้งมุมทั้งบางนะทั้งหมดหรือว่าโดยมากนะครับอั น, นต้นนะครับจะมีคำอธิบายเยอะกว่านี้ทีนี้เป็นและก็ถ้าบอกว่าอะไรที่อะไรนะั้นมีทางเข้า อ, อ, อันเดียวกั น, นะะถ้าใช้คาว่ามุประจารเดียวกันนะครับสมมตในห้องนี้แหละห้องเดียวใช่ไหมเรามานอนร่วมกันในนะครับจนถ้าทิ้ขึ้นนะ หนึ่คืนก็แล้วสองคืนก็แล้วสามคืนก็แล้วอย่างมากไม่ได้แค่นี้เลยครับยังไม่ต้องอ่านแบบอ่อคือท่าถ้าคือถ้าคือเนี่ยจะเป็นตจุดมดจุดบนุ้ดบนสุดใช่ไหมครับอ๋อแระตัวข้างล่างครับใหญ่ใหญ่ตุดข้างล่างนี่มันจะเป็นพวกจิตอ๋อเขาเรียกว่าเสี่ยครับอืม เป็นอะไรครับเอาว่าจะเป็นขือหรือว่าเสษแล้วแต่แล้วเศเนี่ยมันจะคางกันได้เอาเนี่ยอันนี้นะเพื่อนเป็นตัวรับตรงนี้ใช่ไหมครับมันใหญ่ๆและมันมีโพรงแถวบ้านเข้าเขาใช้ไม้ไผ่ทานั่นนะมันจะมีโพรงหนูเข้าไปนี้นะครับอ่าที่ตั้งอยู่ข้างบนฝาแขกปราสานที่เขาสร้างไว้เบื้องบนเสาทหารปราสาทคือหลายชั้นนะครับแล้วก็ที่ชั้นบนอ่ะมันมีคือคานนี้นนะ ซึ่งมีฝาไม่เชื่อมต่อกันกับพื้นชั้นบนแล้วนอนนะอยู่ภายในไม้คือเนี่ยออกไปทางตรงนั้นนั่นเองไม่เปนาา็นออบัตแจกวิสุทธิผู้นอนร่วมภายใต้ประศานนะครับก็ถือว่ามันเข้าไปข้างในมันไม่ได้โผล่หัวออกมาข้าขงนอกนะครมันก็อยู่ในคื่อมันเข้ามาจากข้างนอกใช่ไหมพอตรงนั้นมีรูแล้ว ก, ก็วิ่งไปตามขื่อต่ อ, อไปตามช่องนั้นนะครับเนะี่ยมันไม่เข้ามาในห้องนี้ด้วยนะ เขาไม่เป็นครับอันนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีช่องบนหลังคาถ้าหลังคาเนี่ยมันเกิดมีช่องขึ้นมานะครับมันเข้าไปทางช่องนั้นอยู่ภายในหลังคาและออกไปทางช่องเดิมนั่นแหลเป็นอาบัติแก่ที่สุดคู่น้องร่วมภายในหลังคาแต่อันนี้ผมสรุปให้เลยดีกว่าไม่อาจาิยาเนี่ยถึงว่าหลังคามีชอ่องเมันเข้าทะลุเ ข, เข้ามาข้างในได้เลยนะครับ มันก็ถือว่าเข้ามาอยู่ในห้องของเราแล้วใช่มครับคือมันจะเกาะอยู่ข้างบน้ก็แล้วแต่นะครับอย่างพวกนี้เขาจมีหลังของโยมยืครับอือใช่ใช่ใช่าร่คทกครับครับครับถ้ามาเข้ามาอย่างนั้นนะเป็นครับทีนี้ภาษามันมีสองชั้นไงถึงว่าเป็นกุฏิสองชั้นนะครับแต่ว่าทางเข้าคนะทางกันในเช่นกุฏิสองชั้นของเรานี่ใช่ไมครับ ข้างบนก็คืบันไดนะข้างล่างเข้าประตูทีนี้ถ้าไอ้สัวมาเข้าไปทางชั้นบนใช่ไหมครับเข้ามาในกุฏิอย่างเนี้นะจะเป็นอาบัติเฉพาะแก่ที่สูบคู่นอนชั้นบนนะครับชั้นล่างเนี่ยคนปัจจาร์าใช่ไหมพอเข้าประตูมาทานนะครับนี่แต่ว่าถ้ามันเข้าประตูทางเดียวกันทั้งข้างบนข้างล่างก็ต้องเข้ามาในห้องข้างล่างก่อนแล้วก็ขึ้นไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่ามีประจาร์าเดียวกันนะ ทั้งสองชั้นนะครับถ้ามีสัรว์เลื้อยเข้าไปอย่างนี้นัเข้ามาในห้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาบัตทั้งสองลูกนะครับท้งลูกทีอยู่ข้างบนและข้างล่างหมดแต่ของเรานี่มันดีว่ามันจะมีฝ้าใช่ไหมปิดกั้นใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับมันก็ไม่เป็นอัดีะแต่ถ้าแบบของพม่าเล่ดูแบบนี้เลยนะมีดูมีอะไรเข้ามาแล้วถือว่ามีในห้องกันเราข้างๆได้ตรงข้างได้ทีเก็ก็เอฝา ตีแตกันอย่านี้ค่จอ๋อใชินชนค่ีแกก็ป็นช่องเขาก็เอาผ้าไปหุบนะค่ะผ้าเอาไปนี่ก็ต้งอืม ค, ค, ครับเตี้หัวตูงใหญ่พวกนี้ออนี่ทำมีฉายนะทีนี้ครับมาถึง <uncle> ย <an> ุนาสุดท้ายแตวนี้อัยากนะใส่ใจนิดหนึ่งนะครับอภิสุผู้นอนในเสนาสนะที่มีฝาเป็นเพิง ผมก็ยังไม่ค่อาใจว่าเป็นยังไงนยสาเทอร์ท่านบอกว่าสามีสายติดกันสามด้านนะเนี่ยสาติดกันสามด้านใช่และอีกด้านหนึ่งมันเป็นเทอยังไงแล้วพอที่บานค่ะก็คล้ยๆว่าหลังคาเนี่เทียลงมาครับเทียวลงมามันจะเป็นอย่า น, นา อ๋อครับครับอินด้านนี้ถ้าบอกว่าสามด้านนะก็เป็นฝาทคำติดกันนี้นะครับอินด้านนี้นก็เป็นเพิงลงมาอืมครับนั่นบอกว่าเออซึ่งสร้างโดยการคล้ายกับสาลาอาสภาษครับนกทพิราบเป็นต้นหรือเข้าไปนอนอยู่ในที่ทั้งหลายมีเต่าที่ทําเป็นรูปสังายเป็นต้นเป็นอาบัติเหมือนกันนะครอ่ะเต่าอยู่ตรงไหน ใช่นั่นหรือเปล่าไอ้บางที่น่ะในสารานี่เขาจะมีเป็นอะไรนะเป็นฐานบัวใช่ไครับไอ้ต้องสาวนะตองสาวแล้วก็จะมีเป็นบัวนะครับกีบบัวขึ้นมาสองสาวนะขนาดนั้นคือหน้ามือเข้ามาแล้วมันก็เกาะข้อมือข้างในนะครับอ่ะอันนี้ผมจะสรุปง่ายก็ได้นะเอาลักษณะบอกเราเนี่ยนะครับถามว่าแบบไหนที่จะเป็นอาแบบแบบนี้ไม่เป็น โบกของเราเนี่ยมันก็จะมีข้างในโบชัดไหมครับถ้ามันเข้าไปข้างในโบยังไงล้วก็โดูแน่นอนแล้วมันก็มีชันข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรนาชายค้างข้างนอกอชั้นหนึ่งทีนี้ไอ้ที่นกพิรางมันอยู่น่ะมันอยู่ตรงไอ้หลังคาตรงชายช้างข้างนอกใช่ไหมครับตรงที่หน้ามันนะมีรูปรูปทะลุแล้วก็อะไรอีกระดับบลายอะไรใช่ไหมครับนกพิรามันก็บินเข้าไปก่อนอนอยู่นะ อันนี้วิสูที่เข้าไปนอนในบสถก็ไม่ต้องอาบัด น, นะครับถือว่ามันนอนข้างนอกนั่นะแต่ถ้ามันบินเข้าไปนอนข้างในนะครับมันได้เข้าไปถึงตรงในบสถนะ่แต่ตรงชั้นรอบนอกนะเข้าไม่ก็เป็นงนั้นนะครับแล้วก็ไปนอนตรงข้างบน น, ะนะ น, นั่นนะอดีถ้ า, าไปนอนข้างในก็ไปอาบัดนะครับอันนี้ในของนะถ้ า, าถ้าจะมีรูมใช่ไหมถึงถึงไมนมีรูนะครับอย่างนี้ ถึงไมู่ก็เป็นอาบัติเหมอนกันนะครับนี้เป็นอาบัติเหมืกันข้อถือว่าที่ท่านจะพูดถึงเอาไว้ง่ายว่าอันนี้คือต้องพิพลามนะหรือแม้แต่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอ๋อตรงนี้แหละสมมติว่าเราอยู่ข้างในห้องแต่เกิดมีหมาหรือแมวมา น, นอนอยู่ข้างนอกใช่ไหมตรงนี้แหล่นะครับแต่ว่ามีชายคาเดียวกันก็ดสารานตีแล้วก็ต้องอาบัติเหมืกัน แล้วทีนี้เนี่ยมันที่มงที่บางอันเดียวกันใหญ่ๆนะครับเมื่อก่อมันก็สงสัยนะทีนี้ก็จะพูดว่ามันเป็นที่มุงที่บางอันเดียวกันในกรณีที่ว่าไอ้มุงอันเดียวกันแน่นอนใช่ไหมครับไอ้บางก็กรณีที่มันใช้ขาเดียวกันนะครับฝาที่กั้นห้องของเราเนี่ยกับฝาที่มันนอนอยู่มันก็เป็นฝาอันเดียวกันใช่ไหมครับมันก็เลยถือว่าเป็นอาบังเหมือกันนะครับเมื่อก่อนมันก็สงสัยเป็นอ่างบังได้ยังไงนะครุลจับ ครับพวรเปิดใจมาแล้วอืกับพวงเประจมาแล้วเนี่อยู่ข้างหนครับมันอยู่ข้างในแต่ว่ามันมีประตูพอเราเปิดประตูไปมันก็เจริญเลยครับข้างหนแต่ทียังเป็นระพาเป็นโบที้มันมีทางสองทางครับใช่ครับคือวอาเปิดประตูไปก็จะเจริญพอดีนะอันนี้ครับเนี่ยก็เปิดใจเนี่ยเป็นี้ ครไม่เพราะ่พวกพวตที่มีไม่ดมาตรงทามะที่ชาติเร่อ้อาถือว่าอาศัยฝาดีกันครับฝาที่กา้นห้องกับฝาชาข้างนอกนั่นเปนฝาดีก็เป็นแบบนี้เพราะว่าสงสหลงสาก็เป็นได้ยังไงนะก็ไปฟังงานสัมมนาอาจารย์ยงก็ต้องมีชาตินี้เลยครับก็มาให้ดูดูเพีย้าไีกทีนะก็ให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ จ ะ, จ, ะจะเห็นง<ม>ั้นริงนะนี่เราไม่ได้ถ้าเราลองดูภาคอุตติกรรมฐานเจะเห็นชัดนะอุตติปวิสัยมีสก็นดาที่ชาลีอยู่นะครับถึว่าเนี่แม่แหนะขึ้นไปนอนนะข้างนอกเลยนะครับนี่ชาลีก็นอนข้ในห้องไม่รู้เรื่องใช่ไหมแม่ก็มานอนข้านอกงำลังหลับตื่นจะนวดรุนขึ้นนะครับตื่นเนี่ยนี้ก็ต้องนะถือว่าใช้ฝันอันนี้กันนะครับพอเปิดประตูมามันก็มนเจอมันเลย่ไหมครับ อันนี้นะอันนี้ต้องนะครับว่ า, วาถ้ามันเข้าไปนอนใต้สมุตินะอันนั้นมันเกี่ยวแล้วนะครับนอนบนลมประจาระกันเลย่านนอนบนบนไดบนบันไดใช่ไหมครับส่วนหน้ารกบผิดเขาจะมีประตูเดียวครับมันนอนบนได้เลยนี่เพราะเขาปิดกั้นเลยแต่มันมุดเข้าไปได้นะพี่แมวมันก็ไปนอนวนตรน ที่เขากั้งไว้พอดีเลยนะ่ยถ้มาอ๋อนอนบนดจะชื่อว่าเป็นความม่เสื่อมรรติมันชื่อมางหน้าเยวเนี่ยออพราะพกรงมันต้องเอียดอันนั้นเลย่เอียดดีครัเนี่ยถ้มันอยู่หน้าห้องเลยหรือว่ารอบๆนั่นนะครับมันโอเคหละแต่ว่ายังยังอยู่ในชาคาดีกว่าที่บนใดอย่บันี้ ธาคารยื่นออกมาอยู่เที่ยครับชาคายิ่อยู่เี่ยแต่ถ้าที่ว่าตอกเพลิงออกมามันจะมีเพลิงมาแล้วล่างกันแล้วก็จทำไวที่วัดสตูนเที่บันไดขึ้นเพื่อเพื่อจะรักษาพวทีบันไดด้วยนะครับหมอเลยแต่ว่าส่วใหญ่ถ้ากิกมานจะไม่คุมมาถึงบันไดทั้งหมดนะครับมันไม่คุมมาถึง มันไดตรงนั้นมันเสี่ยงฝนนะถ้าเวลาฝนตกนะรัต้องขึ้นมาข้างนอกนแต่นั้นก็จะไม่โดนนะครับแต่ถ้ากองยิงหลังคามันยืดไปคุมถึงบันไดหมดเลยใช่ไหมอันนี้เนีะจะต้องรู้เป่าเดีย๋ยนี้ลองดูนะครับถ้าจะว่าไม่ต้องพราะมัจะูดกี่รอบหน้ามุก น, นะครับอันนี้นะข้า ม, มาหน้านิดนึงจะแต่ให้ฟังตรงนี้นะถ้าบอกว่าข้างห้องทั้งหลายมีหน้ามุก และหน้ามุกหน้ามูกคุณระเบียงใช่ไหมครับข้างนอกนะและหน้ามุกนั้นไม่ได้ไม่ได้มองข้างบนเนี่ยพูดถึงไม่ได้มุงข้างบนน ะ, ะถ้าแม้เป็นที่มีพื้นสูงนะครับอนุปสัสมบันนอนที่หน้ามุกไม่คําบไม่เป็นการบัติแก้พิสูจ ข, ข้างหลายผู้นอนในห้องเพราะว่าไม่ใช่เครื่องหมุนอันเดียวกันนะครับอนี้แต่ถ้าว่าหน้ามุกมีหลังคาต่อเนื่องการกับหลังคาแห่งห้องทีเดียว นี่นะเช่นตรงนี้ะนะไม่ได้เลยราคาเดียวกันอนุบาสบันอนที่หน้ามุกนั้นทําให้เป็นอาบัติแก่ผู้สุกทุกลูกผู้นอนในห้องนะเป็นอาบัติเดียวกันนะครับเพราะเห็นไรเพราะเป็นห้องมุมทั้งหมดและบางทั้งหมดนะจริงอยู่เครื่องกั้นห้องนั่งแหละเป็นเครื่องกั้นหน้ามุกนั้นด้วยแหละนี่นะแต่ที่ว่าค น, นไใดไี่แน่ใจ Ago, hmm. ถ้าผู้ถึงแต่งหน้ามุกีลยครับมันต้อตรทางนี้ถ้าเราไปใช้อีกทางนึ่งที่ว่ายังทางทางนี้รู้สึกว่ามีการไม่ใช้ประตูอ๋อก็ไม่ได้เหมือกันครับถ้ามีประตูอยู่นะก็ถือคือเป็นการนัดเดยวกัถึงแม้ว่าประตูเราปิดเลยไม่เข้าไม่ออกนะใช่ไหมครับก็ถือเป็แอนมอนกันครับถ้าเขาจะบอกไหมนะนอกจากว่าเอาประตูอ่อฉาบป ติดตัวสาขาหอนอะไรอย่างนั้นนะถึงจะได้ไ น, นะครับอนี้ก็ได้จะประมู่สม่วยทั้งกันล้กันนะครับเพราะว่าสะอาดนิยามเหมือนกันอ่ะทีนี้ไอ้ น, นี่ปัญหานะถ้าเป็นสาราหลังใหญ่ๆนะครับถึงจะทําเป็นแบบต้องมีหลังหลังคาหลายชั้นใช่ไหมขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนี่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นสาราห้องเดียวกันนะยาวกว้างเลยนะครับแล้วก็ไป น, นอนรวมกันอันนี้ก็เป็นอาบัติอย ก็ไม่เนอะเห็นมีู่ว่าท่านก่อนทมันเปลนีว่าทั้งคู่สอข้างนี่จะเป็นติดสงบและตรงการเป็นองั้นมีทั้งหมาทั้งนี้เลยครโอ้ครับเท่านั้นเาเลยเท่าูเลยจหลายบาน้ตามบ้านอกนะสมัยก่อนเขาเขานิยมสร้างนี่นะนะ้รับเป็นทั้งของัชนที่ภาคของนะครับบันนี้ก็ยูนสร้างห้องน้ำข้างๆอีกนะครบเลยครับตามบ้าน่อยหลายที่เลยนะ มันคยไปเจอและเยไปพักนะครับเป็นลักษณะนั้งเลยนั่งนะฮะโดเลยพราะเปิดมันราก็มาเจอแน่ใช่ไหมอุปจาระในการนะครับอันนั้นก็ที่ที่พระสงฆ์นี่มันเป็นอย่างนี้เขาสร้างเนี่ยะเก็บข้อมะเราเก็บข้องันเสร็จแลเนี่ยบุญเนี่ยส่วนใครส่วนมันก็จรงเาต้างเ่แต่ว่าหลงค้างเนี่ยมันเชื่อมเชื่อมอันเดียวกัน huh. ต uh ิดกับโหมดข้ครัมมีทั้งโดปฏิบัติี่ โอ้ครับนั่นเลยไม่ได้ยอมผู้หญิงในคืนนั่นเลยนะข่าวข่าวใช่ใช่นี่ไม่ได้นั้นก็โดนนะโดนเลนะครับนอกจากว่าการเป็นห้องเจ็บห้องของเขานะห้องใครห้องมันนี้นะครับถึงจะได้ คือสมมว่าโยมก็อยู่ในห้องใช่ไหมผ้าก็อยู่ในห้องเรานี่มีเหตุการณ์ธรรมบัติได้ครับแต่ถ้าโยมมานอนข้างนอกท้านอนในห้องเนะี่ยนี่ไม่ได้นะเพราะเปิดมาก็จะเจอเลยแต่เม<ค>ื่อก็นีกุฏิแ่ไหอ๋อข้าวแบบนี้ข้าวตอนนั้นเขาเป็นหลังคาหมเลยข้าวข้าวแต่เมื่อก็มีกุฏิแยกใช่ไหมอ๋อข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวบนหลังคาเนี่ยัป อันนี้การได้ครับถือว่าการได้เพราะเราจะพูดต่อเหมือนกันถือว่าการได้แต่กเขามะนอนห้ห้องไไม่ได้ครับมันนอนหน้าห้องะไตรงคอชันตรงกลางพอดีเลยนะ่รีอไม่ได้เลยครับบางนอนกสิ่ใครโซนใรโซนหนนะครับแต่ว่าเปิดประตูมาก็มันเจอใครอยู่ตรงกลางนครับก็นอนติกันจริงจริงนะตรงกลางนี่มันจะไม่ถึงกันเมีรียงองรตรงที่ว่าประมาณก็อาจจะที่แบบที่นี้ที่มันติดกันอืมครับ แล้ว่าจะาถ้าเขาอยู่ข้างนอกห้องใครข้ามานเนี่ยมันจะโผล่มามันจะเจอกันแต่มันเป็นมลังคาเดียวครับหลิงก็ก็ได้นะครับหลิงม่เป็นมันมเขาว่าอันที่ว่าเจอกันเนี่ยเพราะว่าโผล่มาคนเดียวนะ่ไม่ใช่โผล่มาพร้อมกันพอโผล่มาคนเดียวนะเจอคนอยู่ข้างนอกคนนี้อย่างนี้นะเป็นถ้าโผล่มาแล้วก็ไม่เจอใครนนะครับเพราะคนอื่อก็อยู่ในห้อง หนึ่งในงการกันได้ครับดูประษาทนะ เ, เนี่ยเพราะนั่นเป็ะพูในอันนี้นลองความตรงนี้นะครับมหาปราสาทแม่เหลาใดที่มีซุ้ยทรงเป็นศาลาหลังเดียวสองหลังสามหลังและสี่หลังคนเป็นหลังคาที่เป็นชั้ น, น้นะครับเป็น ม, มหาปราสาทนั่นปราสาทใหญ่นะครับเชื่อมกันเลยพ่สูรล้างค้าในโอกาสหนึ่งแล้วเข้าไป อานเดินเรียนรอกไปได้ในที่ทุกแห่งเพราะว่าห้องนะห้องนะครับเดินได้รอบเลยแม้ในมหาปสารเหล่านั้นที่สูงยอ่อมไม่พ้นจากสางเสยยาบาัดถ้าหากว่ามหาปสารเป็นที่ที่เขาสร้างกอนุปจาระไว้ในที่นั้นๆ น, น, นะครับก็กลั่งเป็นห้องเป็นโซนไปเลยนะจะพ่ออย่งนี้นะครับเป็นอาบัตดจะพ่อในที่มีปจาระเดียงกันเท่านั้น ถ้ากองแยกห้องนี่แถวมก็ใบ่งกันนาะใช่ไหดวหมดเองนะครับแต่ละห้องนั่นนะครับเพราะอันนั้นไม่ได้บังครับไม่ได้บังไม่ได้เต็มครับไม่มีฝาถ้าไม่มีฝานะครับมีาครับมุงทั้งหมดไม่เอมงทั้งหมดไม่ได้บางทั้งหมดก็ดีนะครับบางทั้งหมดไม่ได้มุงทั้งหมดก็ดีอันนี้ไม่ต้องอานบังครับมันต้องมุงต้องบังัสองอย่างนี้นะครับมันจะมีที่เป็นนามบังมงทั้งหมดบางทั้งหมดนยครับ มงรวยมากบางรวยไม่นะมงทั้งหมดบางเกินหนึ่งบางทั้งหมดมงเกินหนึ่งอะไรนะครับถือย่าต้องแต่ว่าถ้ามันได้แค่อันเดอันอีออีอันหนึ่งเนี่ยโล่งไปเลยครับนี้ก็จะไม่ต้องอ้างบนะครับครับและทีนี้นะครับจะบอกว่าพวกช่านทํากําแพงกั้นในถ้ำกายกั้นกําแพงในแต่ละห้องไปเลยนะ แห่งมอนโดที่ซึ่งมีหลังคาขาวกรงขาวประกอบด้วยประตูสองช่องนะครับซือว่าห้องเนี่ยต้านตรงกลางเลยแล้วก็ทาประตูคนลนด้านเลยนะครับทางเข้ า, นนนนข า, นะาหน้านี้เดี๋ยวเข้าหน้านะอุปจาระหนาแน่นแน่นอน น, นะครับตรงกลางก็รูบถึงกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าบอกว่านะครับที่กําแพงมีช่องแม้พอสมดุลใช้มีเหี้ยนเป็นต้องเข้าไปได้ ถ้าเขาว่าตรงกลางมันหาการท่องนะครับมันก็มีช่องขึ้นมานะขนาดเตียงเฮียก็เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัต น, นะนะครับไม่เป็นอาบัตนะครับไม่เป็นอาบัตเหมือนกันเพราะเรือไม่คิดว่ามีปัจจัยเดียวกันด้วยช่องนะครับแค่ช่องอย่างนั้นนะไม่เชื่อมีปัจจันเดียวกันนะครับแต่ถ้าพวกช่างนะทําประตูไว้ลเลยตรงการเนี่ยถ้าจะไม่ข้อข า, ากันได้จะดวกนะครับอย่างงี้นะ จะเรียกวิะจาเิตร่างเดีกันครับอันนี้จะเป็นอาบัตนะครับ<อ><อ> ก็ยังอยู่ในห้องจริงแต่ว่าเรามีข้างนอกใช่ไหมครับอ้อเปล่นาการไม่เปลยนพลังงานก็เชื่อมอันแล้วแลาจะมีปั๊บการขาดขางขาดลูกขาดเปลี่ยนครับอดมก็ไม่เป น, เนี้ยนไม่เปลีนนะ่ยนหรอกต้านใจไม่ต้งนใจไม่เป็่ยนนะไม่เชื่อประชาในการเพียงแค่มีช่องหรอ ต้องประกอบประตูไว้เลยนี่นะครับทีนี้นะครับถ้าว่าปิดประตูเนี่แล้วก็นอนปิดไปเลยนะครับก็เป็นอาบัติเหมือนเดิมนะครับเพราะการปิดประตูเรือนจะชื่อว่ามีปัจจาระต่างกันหรือประตูจะชื่อว่าไม่ใช่ประตูหาไม่ได้เลยนะครับถึงปิดประตูก็ชื่อปัจจาระเดียนกันมันที่ยังเป็นประตูเหมือนเดิมยังถึงมันจะเปิดมือนเป็ประตูนั่นแหละ มันไม่ได้เป็นฝาหรอกเออใช่ใช่มันจะป็ดอย่างี้มัเป็นประตูเหมือนามันไม่ได้เป็นฝาจะปิดแล้วออกข้างเี้วใช่ไหมมันก็ไม่พ้นนะประตูเือนเดิมาถ้าประตูนันขอเหล็กกที่ดหรืออกลกใหม่ต้องทำเป็นฝาอะไทเป็นฝาอะไรเขาไม่ได้ออกประตูเขาต้องอะไรทาเป็นประตูเขาอ่ะ เขาไม่ออกนะั่นเขาใช้ใช้อนะไร่ะทำเป็นเหล็กดักดไปเยเหล็กดัดนะครับต้องทําเป็นสายไปเลยครับทําเป็นฝายไปเลยอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ดูแต่ว่ามองเราโอ้ครับนี้เราเรดูต่อนะ้่าท่านบอกว่าเพราะบานประตูเขามาทําไว้เพื่อประโยชน์สำหรับใช้สอยด้วยการปิดเปิดได้าตามสบายไม่ใช่เพื่อต้องการจะตัดงานใช้สอย ก็ทว่าพิสูทั้งหลายเอาจาพวกอิฐนะปิดประตูนั้นซ้ำอีกไม่จัดว่าเป็นประตูย่อมตั้งอยู่ในภาว่าที่ประจาระต่างตามกันตามเดิมได้เลยจะพูดถึงแต่เอาอิฐอะไรนะมากั้นประตูได้อีกทีแล้วลือประตูของแล้วก็คืนทําเป็นฝาถาวรเลย น, น, นะฝาจริงดแล้จถึงจะพ้นอาบัต น, นะนี่พมน อครับอันนี้ก็อันนี้ก็ผ่านนะอันนี้ก็มนกต่อไปต่อไปที่จะสรุปนะเกี่ยวกับลักษณะปุตติที่มีการต้องอาบัต น, นะครับแล้มาพูดอีกแบบนิดหนึ่งคําว่าปุตติมีที่มุงที่บังนะไอ้ที่มุงที่บังเนี่ยนะครับถ้าบังว่าเครื่องมุงท่าชนิดมันจะมีเครื่องมุงด้วยอิฐนะครับแล้วกับเปลือกนี่นะศิลา น, นะครับปูนขาวหญ้าบใบไม้ หรือว่าเครมีหนักหนที่สามารถมุงได้แม้แต่กุติผ้ารก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าในกฎในแต็น่าเนี่ยนะใครมีคำถามว่าเนี่ยถ้าว่าเอาผู้หญิงเข้าไปนอนอ้วอย่างเงี้จะไปอาบัติเพราะว่าการนอนร่วมกับมันุกทางหรือล่านอนในเครื่องมบางดีกันหรือเปล่าก็เป็นนะครับแต่อาจารย์บอกว่ามือคงไม่ได้เป็นแค่นั้นหรอกครับ เปนขน่ว่าเาอาผู้หญิไปนอนในกลุมในเต็น์ด้วยกันนะคงไม่ได้เป็นเร่องไ ป, ปอยู่างีแล้วนะครับอย่างน้อยสุงฆาตเศษหนะ้นาหนักหนักก็อย่าเปลา่าอาชีพเลยนะครับนะแต่ถ้าถามว่าเอาถ้าเป็นอามริกันนอนร่วมเฉยเนี่ยเป็นไหมเป็นนะครับถือว่ามีที่มุ่งที่บังอันดียกันแม้ทำด้วยผ้าอย่นี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้นะนี่นคะครับจะได้ดู บ้านผมว่าเราถึงผู้ก่อผู้รอดแล้วผู้หญิงน่ะหญิไม่ได้พูดอะไรคนเลยบ้านผมมันนิดเดียวเองก็ไม่แก้ตัวมันแก้ตัวไม่ออกนะถ้าก็เห็นกันจัดๆใช่ไ้มครับอี่ยแล้วร้อนทาไมมันโรงแรมของผู้หญิงอ่ะไม่อยที่กติอยู่ที่บ้างเลยเอผ้าเย็งร้อนเง้ ้เหนียร้อนอยู่ไม่ได้ใช่จะท่ชุดกลุ่มได้ไหมครับครับ่านท่านจัดเสร็จไหมครับครับบางทีพวกนี้พขาต้องการเงินจับห้านะยอดเงินมีทองทีนี้จะสรุปให้นะครับจะให้เขียงขึ้นกระดานะครับ ถ้าจะจำแนกเป็นเครื่องมือเครื่องบังน่ะที่ฐานเป็นอาบาัตปาจิตีก็มีแต่ทุกกฎก็มีไม่เป็นอาบัตก็มีครัจำแนกมี็สามอย่างเด็ดเครื่องแต่งกายก็แล้วกันเขียนมันจะได้วิริยชัยถูกครับไปวันไหนอ้าใครจดบ้างอ่ะไม่เป็นไรมันจดที่หนังก็ได้ครับถ้าใครไม่ได้จดนีอธิบายเอ้ก็ไม่เป็นไรจดที่หนังได้นะจำแนก อ, อาบัตเกี่ยวกับที่มุมบงบัง ว่าลักษณะไหนนะที่เป็นอา บ, บัตไปดีเป็นทุกกฎหรือว่าไม่เป็นอาบัตเลยนะครับขอให้จำไว้ก่อนนะคาว่าบางทั้งหมดเนี่ยท่านอธิบายคาว่าบางทั้งหมด ห, หมายแค่ว่า <c oughs> แค่อะไรนั่นโมบายเนยสอบครึ่งใช่ไหมครับนะเศนาชนะที่เขาบางด้วยฝาขนังเป็นต้นนะครับแค่หนึ่งสอบครึ่งนะชื่อว่าบางทั้งหมดแล้นะครับนะเพราะว่าบางหมดแค่หนึ่งสอครึ่งชื่อว่าบางทั้งหมด มุงั้งหมดกืมูงทั้งหมดจริงๆนะแต่บางจะต้องรู้ไว้นีครับแค่สอบเครื่องชั่วบางทั้งหมดแล้วทีนี้อไปตีนะครับข้อหนึ่ง ม, ม, งมุงทั้งหมดบางทั้งหมดอันนี้ไม่สงสัยนะอันที่สองมุงโดยมากบางโดยมากนะครับพอยิ่พอยิ่งจะต้องมาดูอัตราส่วนกันนะแค่ไหนชื่อว่าดูตรงนี้ก่อนอาตราส่วนหนึ่งส่วนสี่ชื่อว่าเลขน้อย หมายความว่าที่มงที่บางเนี่ยเราถือว่าถึงว่มงก่อนนะนะครัมงมันมีสี่ส่วนที่จะต้องมงเนี่ยข้ามงแค่ส่วนเดียวมันก็ข้ามงแค่ส่วนเดียวอีกสามส่วนไม่ได้มงอันนี้ก็ชื่อว่ามงเล็กน้อยนะครับแม้ที่บางก็เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยก็ชื่อว่าเล็กน้อยแต่ถ้าว่านะครับสองส่วนสามเนี่ยก็คือมีสามส่วนแหะที่จะต้องมงใช่ไหมมีสามส่วนที่จะต้องมง ข้อมองตั้งสองส่วนครับหรือแค่สองส่วนนี้ที่ไม่ได้มงนะอันนี้ชื่อว่าโดยมากคสองส่วนสามหรือมากแต่ถ้าหนึ่งส่วนสามคือหนึ่งส่วนสองครึ่งต่อครึ่งใช่ไหมอันนี้ก็ชื่อว่าเกินหนึ่งครับกนหนึ่งนี่นะได้ดูตรงนี้ก่อนตาส่วนเนี่ยทีนี้ข้อสามนะมงทั้งหมดบางโดยมากครับข้อ ส, สี่มงทั้งหมดบางกิหนึ่ง ห้ามงรวยมากบางเกินหนึ่งเาจะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมดทั้งหมดโดยมากรวยมากทั้งหมดโดยมากทั้งหมดเกินหนึ่งนี้ใช่ไหมแำไวาอย่างงี้นะมันจะมีทั้งหมดถ้าทั้งหมดกับรวยมากเนี่ยมันโดนแน่นอนอยู่แล้วข้อหนึ่งข้อสอข้อสามเนี่ยเป็นทั้งหมดแล้วก็โดยมากใช่ไหมครัโดนอยู่แล้วแต่ทีนี้พอมาข้อสี่นะบอกว่ามงทั้งหมดนะแต่บางเกินหนึ่งนี่ก็โดน หรือว่าข้ห้ามองโดยมากบางกึ่งหนึ่งนี่ก็ยังโดนนะครับทั้งหมดก็โดยมากเป็ตัวตั้งนะข้างหลังถ้าเป็นกึ่งหนึ่งกึงหนึ่งก็ยังโดนอีกทีข้อหกก็อเอาเอาบางขึ้นมาเป็นปรารนบ้างบางทั้งหมดมุมโดยมากบางทั้งหมดมุมกึ่หนึ่งบางโดยมากมุมกึ่งหนึ่งะครับอันนี้ก็ต้องระบังเหมือนกันนะจะอย่างนี้นะครับง่ายๆว่าคือถ้าทั้งหมดทั้งสองฝ่ายก็ต้ อ, อาบาัดใช่ไหย โดยมากทั้งสองฝ่ายก็ต้องเอาบัดนะครับทั้งหมดฝ่ายหนึง่งนะครับทั้งหมดโดยมากโันอยู่แล้วนะครับทั้งหมดหรือว่าโดยมากฝ่ายหนึง่งอีฝ่ายหนึ่งกึงหนึง่งอันนี้มันต้องเอาบาัตรเหมือนกันต้องรูปออกง่ายนะคือลักษณะนี้นะครั บ, ต, า บ, ารบต่อไปนี้ก็ทุกกฎนะครับถ้าทุกกฎเนี่ยก็มันจะไม่ได้ของไปยี่สิบแล้วนะ ก็ว่าอัที่หนึ่งก็คือมงกึ่งหนึ่งบงกึ่หนึ่งครับมงก็ขึ้นเดียวนะบางก็ขึ้นเดียวนะนี่ก็เป็นอัทุกกนะยังต้องบรรทแต่บังลงอันที่สองมงทั้งหมดบางเล็กน้อยนะครับบางเล็กน้อยก็แค่หนึ่งส่วนสีใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้บังครัอสีสาส่วนบงแค่ส่วนเดียวครับข้อสมงโวยมากบางเล็กน้อยนะครับข้อสี่บางทั้งหมดมงเล็กน้อย ข้อห้าบางโดยมากมุงเล็กน้อยเราง่ายๆว่าถ้าคือกหนึ่งเท่าสองฝ่ายเนี่ยต้องเอาแบบทุกกดใช่ไหมถ้าเล็กน้อยนะครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีฝ่ายหนึ่งจะเป็นทั้งหมดด้วยมากก็แล้วแต่นะแต่อีฝ่ายหนึ่งเป็นเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องทุกกดจำไว้เลยถ้ามันมีเล็กน้อยเข้ามาหนเล็กน้อยเข้ามาเนี่ยเราจำไว้เลยว่าต้องทุกกดแี่ถ้าครึ่งทั้งสองฝ่ายก็ทุกกดถ้ามีเล็กน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี้ยก็ แต่ว to so, ่าต้องดูมากอีฝ่ายต้องทั้งหมดดูดยมากนะอีฝ่ายในใกล้เล็กน้อยก็เป็นที่กดต่อไปนะครับที่ไม่เป็นอ้าบั้างเลยก็คือมุมเกิหนึ่งบางเล็กน้อยนะครับอันนี้ไม่ต้องอาบั้างสองบางกึนหนึ่งมุมเล็กน้อยสามมุมเล็กน้อยบางเล็กน้อยนี่นะคือหมายความว่าถ้าเกินหนึ่งกับเล็กน้อยมาเจอกัน่ะจะไม่ต้องอ้างว้างนะน กึ่งหนึ่งกับเล็กน้อยหรือว่าเล็กน้อยกับเล็กน้อยมาเจอกันเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ต้องอาบัดแล้วถ้ากึ่หนึ่งกับกึ่นี้งูุกข์ดใช่ไหมถ้ากึ่หนึ่งมาเจอเล็กน้อยเล็กน้อยมาเจอเล็กน้อยนี่ก็ไม่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูว่าใคระกันนะไปอยู่กุฏิหลังไหนอะไรยังไงไม่ใช่ทุกข์มุกอ่อนต้องเป็นเนรเขาไปอยู่กุฏิแถวนะครับแล้วก็กุฏินี่เป็นราชาเป็นสังกษี แล้วก็ทําเป็นห้องแถวห้องตรงกลางไม่มีไม่มีหน้าต่างนะครับจะทึบหมดเลยนะห้องเป็นห้องแถวยาวใช่ไหมแล้วเป็นห้องแบบเล็กๆนะครับห้องไม่ใหญ่นะมีชานข้างนอกข้างในก็เป็นกับอะไรนะเป็นที่โล่งนะครับที่โล่งแต่ว่าอยู่ในชายหาดด้วยกันนะแล้วก็จะมีห้องน้ําติด ก, กันนะครับเราเดินออกมาก็เดินเข้าห้องน้นํำได้ใกล้ๆนะครับแต่ว่าสารสีก็รั่วนะ และตอนนั้นแหล ะ, ะแมงมจะชอบมานอนกันมาทีมันก็แอบมนเข้ามันอนอนกุตินะบาทีมันก็มานอนตรงนั้นแหละนะครับในข้นางนอกกุตีนะที่เป็นที่โลกแต่ว่าในชายหาดด้วนกันนะครับอันนั้นก็โดนนะไม่ได้นะครับถ้าแมวตุ้มมีแล้วก็โดนตั้งแต่วันแรกนะหน้าร้อนก็ร้อนก็หลังคาเป็นสังกสีหน้าฝนก็น้าหยดนะ่ะเต้าถังกละังไปรอนี่านั้นเลยนะครับสมัยนั้นนะ ตอเป็นเนนตอนไปอยู่วัดไทยมาใหม่เห็นหน้าตาดีๆนะให้เนนไปอยู่กุติไทยอย่างนั้นครับแล้วก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกเพราะว่ากุฏิวัดเขาเป็นขนมังที่ให่เที่ก็ไม่ได้ในกันที่ผมเคยไปอยู่ตอนนั้นนะครับพ อ, อละอันเลยห้อก็เล็กๆนะครับแต่ก็อยู่ นี่ใช้ได้อะไรได้นะวันนั้นชาดีก็ยังสงสัยเลยมีแมหรึเปล่ามานอนข้างหนอกกุฏิแกตรงชางข้างหน้าห้องกุฏิแกะนะครับแกก็สงสัยเป็นอะไรบ้าง <c oughs> เบียด ม, มาแล้วนะมาทีเบียด ม, มาแล้วลืมได้นะครับไม่ได้เอาเวลาไม่ได้ทวนใช่ไหมนานๆเวลาผานไปบนจิตผานอาการ จ, จริงนี่ใช้ไม่ถูกเอ้เราต้องแบบนีไ้ไม่ต้องแต่นี่ผมเน้นให้แล้วนะว่าต้อง น, นะครับกร่มาแมมานอนตรงชาตรงนี้นะ เราก็นอนที่ไหนนีนะครับถือว่าใช้ที่บาอันเดียวกันถ้าหลังทามันเนื้อเดียวกันน่ามันคงไปถึงนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ที่บาร์เดียวกันก็ต้องรับมเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันเข้าไปนอนใต้ข้างล่างเลยก็ไม่เกี่ยวแล้วเรื่องประจานะ